วันไหนที่เธอเงาวันไหนที่ไม่มีใครสักคนเธอนั้นเป็นกังวลแอบร้องไห้เสียใจคนไหนที่ไม่รักคนไหนที่ไม่เคยจะเข้าใจไม่เหมือนที่ฝันไฟ ไม่เหมือนที่คิดอยู่รู้ไหมบางทีคนเราก็ต้องมีเจ็บและช้ำใจบา ง, บางอย่างก็มีผิดหวังบางครั้งต้องเขง้าใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคยต้องเจ็บอย่างนี้มันเป็นยังไงฉันอยากให้รู้ว่าฉันก็เคยเป็นอย่างเธอ วันไหนที่ไม่มีคำชื่นชมมีแต่คำพูดที่คมให้เธอต้องท้อใจคนไหนที่ไม่เห็นคนไหนที่ไม่มองลึกข้างไนคนนั้นคงเสียใจที่ไม่เห็นความสวยงาม รู้ไม่บาทีคนเราก็ต้องมีแจ๊ บางครั้งต้องเข้าใจถึงแม้ว่าเธอไม่เคย